วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปแ้ากล่าวมาในเรื่องของมารสนาคือเสนาแห่งมันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้อันที่จริงแล้วก็หมายถึงกิเลสประเภทที่เป็นโลภะโทสะโมหะซึ่ง มีความรุนแรงน้อยลงมาโดยมากแล้วจะเกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจทำใจของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันของกิเลสเหล่านั้นมารเานประการต่อไปนั้นคือเรื่องของความขาดได้แก่การสะดุ้งวัดวันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เรื่องของความขาดหรือความกลัวนั้นเป็นพื้นฐานทางจิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกร น, นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงจําแนกแสดงคนที่ขาดกับไม่ขาดเอาไว้เป็นสองพวกทรงแสดงถึงคนที่ไม่ขาดเอาไว้ว่าได้แบกแด้แก่สัตว์อาชานไนมีช้างอาชาไยม้าอาชาไย คนที่ฝึกปลือจิตใจมาดีแล้วเช่นเป็นทหารเป็นต้นหรือฝึกปลือมในด้านธรรมะดีแล้วก็จะจนถึงพระอรหันต์ในที่สุดเป็นกลุ่มของบุคคลที่ได้ชื่อว่าไม่ขาดกลัวแต่ความไม่ขาดด้วยความไม่กลัวเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแกช้างอาชาในมามาชาในและทหาร ที่ต้องรบทัพจับศึกในสงครามนั้นที่จึงแล้วเป็นการเกิดขึ้นด้วย mana คือความกระด้างทางใจพยายามที่จะแสดงสถานะของตนและรักษาสถานะของตนไว้ให้ได้เป็นการใช้มา n นะให้เป็นประโยชน์ในชั้นหนึ่งระดับของโลกิยธรรมแล้วม a n a เกิดการพองขึ้นของใจ เกิดความสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้ตามที่ตนเป็นแม้จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานับประการอย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แต่นั้นบางครั้งบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นําเอาสัตดอาชาในเหล่านั้น มาเป็นอุปกรณ์ในการสอนบุคคลทั้งหลายเช่นเมื่อคราวที่พระองค์เสดไปที่พระนครโกศมีถูกนางมาคันยาจ้างคนมาด่าพระองค์โดวยวัตถุอาโกสวัตถุคือเรื่องสมรับด่าสิประการเป็นการด่าโดยถ้อยคาที่หยาบคายร้ายกัดการานนเองซึ่งเป็นประโสะดาบันทนได้ยินได้ฟังไม่ได้ เสนอแนะพระพุทธเจ้าให้ย้ายไปที่เมืองอื่นแต่พระพุทธเจ้ากลับถามพระอานุลว่าถ้าที่เมืองอื่นก็ด่าอีกแล้วจะทำอย่างไงท่านก็เสนอเมืองอื่นต่อไปอกีกเมื่อรับสั่งถามว่าถ้าเมืองนั้นก็ด่าอีกจะทำอย่างไงท่านก็เสนอเมืองอื่นต่อไปเรื่อยรับสั่งว่าการทําอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์หรอกเพราะว่าธรรมดาของ พวกเราทั้งหลายจะต้องอดทนให้ได้ต่อถ้อยคาของบุคคลที่กราบช่วงจาบร่วงเกินเพราะคนผู้มีสินคือคนที่ทุกศินได้แก่คนที่ไม่มีสินทีหจะกราบถ้อยคําร้กาดเป็นอย่างนั้นเองแลวทรงอุปมาพ ร, ระองค์เหมือนช้างศึกที่เข้าสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกสอน อาวุธสารพัดที่สัว์มาจากแหล่งทั้งหลายแลาจะต้องอดทนให้ได้นี่เป็นการแสดงเห็นว่าช้างอาชาไนที่อดทนต่อลูกศรแต่ตราวุธจึงสัตดมาแทงมาจากทิศทั้งหลายเป็นการอดทนด้วยมานะคือความรู้สึกว่าเราเป็นช้างอาชาไนเป็นช้างศึกเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของช้างศึก จะต้องต่อสู้กับศัตรูอาวุธเหล่านั้นซึงเป็นการเตรียมจะเตรียมกายเตรียมใจล่วงหน้าไว้เพราะเมื่อมาอยู่ในฐานะอย่างนี้ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาในลักษณะนี้และการที่จะต่อสู้กับบุพสารปัญหาเหล่านั้นได้ก็มีอย่างเดียวคือต้องอดทนไม่ถูกเรื่องเหล่านั้นหรือปัญหาเหล่านั้นโยครอนให้เกิดความวุ่นไหวไปได้แต่ว่า คนประเภทที่เข้าถึงธรรมเรียนรู้ถึงธรรมะเช่นเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนแห่งบุญอันมีลักษณะขจัดกิเลสให้ออกไปจากจิตใจได้ท่านเหล่านี้จะมีความเชื่อมั่นในบุญในกุศลของตนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายทั้งหลาย จนถึงกับความตายที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าโดยบุญกุศลที่ตนได้กระทำไว้นั้นการตายไปของตนจึงเป็นปืนเป็นเหมือนการได้บ้านคือจากกระตอบเล็กๆไปอยู่ที่ปราสาทสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าเหมือนทำลายผาชนะดินแล้วไปใช้พาชนะทองคำ คนเหล่านี้ก็จะไม่เกิดความหวาดความสะดุ้งความกลัวต่อมนต์ับไพ่ที่จะบังเกิดขึ้นคนร้องเมื่อไม่กลัวตายาแล้วอย่า ง, อ, างอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอีกชั้นหนึ่งนั้นอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ในเรื่องพระชักกระสตรกระสูตรที่ว่าโดยยอดแห่งธงพระบรมมีพระภาคเจ้าทรงสแสดงพื้นฐานของความกล้าที่มีอยู่ภายในใจของคน พราคนที่ขาดนั้นเพราะภายในใจยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะดึงในกรณีเหล่านี้เมื่อบุคคลวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตใจของตัวเองก็จะมองเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นคนไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการความพลาดพลากนั้นเพราะมีความอาลัยมีความเยื่อใ่อยู่ในตัวเอง อยู่ในทรัพย์สินเงินทองอยในญาติพี่น้องอยู่ในตะแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในงานที่ตนได้ทำแล้วก็ต้องการดูผลงานงานที่ตนยังไม่ได้ทำก็ต้องการจะทำงานเหล่านั้นให้สาเร็จเป็นต้นซึ่งเป็นอาการของโลภะหรือราคะที่อยู่ภายในใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นตอนั้นถ้าสาบใดที่ใจยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่เหล่านี้นอยู่ ความกลาดความกลัวความสะดุ้งอาการขนฟองสยองกลา้าวก็ต้องบังเกิดขึ้นภายในจิตจาจของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามมาเจริญอนุสติทั้งสามราการคือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์โดยการสาธยายตามบทที่สดวดอิติปิโสภควาเป็นต้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะส ง, งบ อยู่ในพุทธกุลธรรมคุลสังกุลความบาดความสะดุง้งภายในใจก็จะไม่เกิดขึ้นอาการความหวาดความสะดุง้งความขระตความกลัวที่เจือจางเบาบางลงไปจากใจนั้นเกิดขึ้นจากการอาศัยความเชื่อมั่นที่บุคคลมีอยู่ในคุณของพระรัตนตรัย น, นี่ก็เป็นข้อปฏิบัติอีกชั้นหนึ่ง ที่ช่วยให้เยนามานคือความขัดเบบังลงไปจากใจตนอีกชั้นหนึ่งเป็นการเรื่องเรื่องของความเข้าใจถึงสัจจะแห่งชีวิตที่คนทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ตนต้องการกับสิ่งที่ตนไม่ต้องการบุคคลจึงไม่สามารถจะมุ่งหวังให้อะไรเป็นไปตามที่ตัวมุ่งหวังได้เสมอไป อันตรายต่างๆแม้คนจะหวัดกลัวอย่างไรก็คงจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาท่านเหล่านั้นก็จะทำใจของตนให้ยอมรับความจริงที่บังเกิดขึ้นโดยสายการพินิษ์พิจารณาตามแนวของอภิปักปัจจุบขนคณะที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเป็นต้นใจของบุคคลก็จะไม่ขาดไม่กลัวต่อเรื่องใหญ่ๆในความแก่ความเจ็บความตาย เมื่อเรื่องใหญ่ทั้งสเรื่องไม่กลัวแล้วเรื่องเล็กๆมันก็ธรรมดาเพราะไม่มีอะไรที่จะเกินไปจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นกในชีวิตทั้งหลายมใจคนปรับได้เรื่องอย่างอื่นก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเห็นว่าการพลัดพรากความเจ็บป่วยหรื อ, อันตรายที่เกิดขึ้นจากคนจากสัตว์เป็นตน้นก็เรื่องธรรมดาอย่างมากก็แค่ตาย แต่เมื่อตนไม่กลัวความตายแล้วดังอื่นก็เป็นเรื่องธรรมาดาไปจิตใจของเขาก็จะเข้มแข็งไม่กลัดไม่กลัวในเรื่องเหล่านั้นประการต่อไปเป็นเรื่องของการละกิเลสให้เบาบางลงไปจากใจเพราะกิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้ลองสังเกตดูว่าเช่นว่า บุคคลไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเราจิตใจก็จะแนบแน่นจะยึดติดจะวงใ ย, ยจะอะไรจะกังวลจะวิตกเดือดร้อนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าก้นบึ้งของใจจริงๆนั้นคือความโลภหรือราคะความกำหนัดในวัตถุในบุคคลเล่านั้นต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นดำรงจุ เพราะใสใจที่ประยุทธ์ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นของเราของเราด้วยไปของเรามีมากเท่าไหร่ความกลัวที่ประรูเรื่องเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้เข้าใจถึงความจริงแห่งชีวิตว่าเกิดขึ้นดำรงอยู่และแตกกลับไปโดยสายกดกายกดเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาที่เราเรียกว่าเหตุปัจจัย จิตใจข อ, ของบุคคลเหล่านั้นก็จะผ่อนคลายความยึดถือในรูปลักษณะต่างๆซึ่งความยึดถือทั้งมวลเป็นความยึดถือด้วยอํานาจตันหามาณฑิติตันดังที่ท่านกล่าวไว้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเจอจางบาบางลงไปจากใจความขลาดความกลัวก็จะเบาหายลงไปแต่ในชั้นของชีวิตสามัญชนนั้นก็จะพบความจริงอีกประการหนึ่งว่า มีบางเรื่องเป็นผลมาจากกิเลสคือการกระทำความผิดความพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นซึ่งคอ น, นี้อย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงโทษของการผิดศีลโทษของการทำความชั่วโดยประการต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งล้ะกอให้เกิดความหวาดความสะดุ้งความกลัวอยู่ภายในใจของบุคคลผู้นั้น ตัวอย่างเห็นได้ง่ายเช่นว่าคนไปทำผิดกฎหมายเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินมาก็เกิดความขระตความกลัวเพภายในใจของตนเองมีแผลแต่ว่าคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเราอื่นถ้าหากว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดทางกฎหมายจิตใจของบุคคลนั้นก็จะสงบเยอเือกเย็นเป็นปกติไม่รู้สึกสะดุ้งสะเตือนอะไรนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆว่า อะไรก็ตามที่เป็นแผลใจจะก่อให้เกิดความหวาดความสะดุ้งความวิปฏิิสารคือเดือดร้อนใจบางครั้งบางคราวแม้จะไม่มีใครมาแต่เมื่อตอนอยู่ในที่ส ง, งบเป็นเนียวนึกถึงเรื่องเหล่านั้นเข้าใจก็จะหวาดใจก็จะสะดุ้งถึงความผิดพลาดที่ตนได้กระทำเอาไว้ความส ง, งบแ่งใจก็ไม่เกิดขึ้นเสนมานตัวนี้จึงเป็นเสนมานที่ อ, อกจะละ ว่าเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นส่วนเนี่ยได้เกิดขึ้นจากความเพิ่มพูนขึ้นของใจที่ขาดเหตุขาดผลมีกิเลสบังเกิดขึ้นมากเกินไปทาให้ใจไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลเป็นเครื่องพินิษ์พิจารณาสิ่งทั้งหลายมารหลนี้จึงเป็นมารที่จำเป็นจะต้องอาศัย หลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสติสามัญจัญญะพยายามสังเกตรวจสอบถึงความขาดความกลัวที่บางเกิดขึ้นเพราะความขาดกลัวนี้ถึงจุดหนึ่งมันเป็นอาการโรคของจิตเป็นโรคจิตที่ภาษาทางจิตวิทยาก็เรียกว่าโรคโฟเบีย้ยคือกลัวไปเสียทุกเรื่องกลัวสิ่งสุกปพกลัวสิ่งนั่นกลัวสิ่งนี้ไปแต่บางอย่างก็กลัวหายไปเลยจน เป็นอาการวิปริตทางใจก็เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลและสัตว์ท่างหลายได้ไง่ายๆและเป็นมานที่ออกจะใกล้ชิดเพราะมีแรงหนุนสองประการดังกล่าวแล้วคือเป็นสัญชาตญาณนักเจ้าสงชัยกล่าว่ามีธาตุแห่งความเป็นคนขลาดคือหมายความว่าเชื่อของความขลาดความกลัวนั้นมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมาตั้งแต่ต้นแล้ว คือเป็นธาตุเป็นธาตุุเป็นธาตุที่อยู่ภายในใจเมื่อไปได้อะไรบวกเข้ามาจากข้างนอกก็เลยขาดกันเป็นการใหญ่จนเกิดความเกรงความเครียดความบิตกกังวลความกรัดกรุ่มแล้วก็วิปริตออกไปได้ถ้าหากว่าบุคคลได้กำหนดพินิตพิจารณาสัมเนีกรู้ในแต่ละขณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นจะมีความขาดบังเกิดขึ้น รู้ว่าขณะนี้มีความขาดความกลัวบางเกิดขึ้นภายในใ จ, ใจิตใจก็วิเคราะห์ตรวจสอบดูไปอีกครั้งหนึ่งว่าความขาดความกลัวนั้นเพิ่งเกิดขึ้นก็มองดูว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเกิดขึ้นเมื่อศึกษาไปถึงเหตุปัจจัยแล้วก็วิเคราะห์ดูเหตุปจัจจัยที่ก่อให้เกิดความขาด แล้วพยายามทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นจึงจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องของการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นภายในใจเองสร้างเรื่องให้ใ ห, ใหญ่โตขึ้นมาในกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงว่ามีโมฆะเพิ่มขึ้นภายใน ใ, นใจมากด้วยอย่างบุคคลบางคนที่ถูกผีหลอกเดินไปเหยียบเชือกแล้วเข้าใจวงู หรือไปกระทบกับปลายไม้แหลมๆเข้าใจว่างู ก, กัดเป็นต้นนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นอาการของโมฆะไม่ใดพิเคราะห์ไม่ใ ด, ด, ดพินิษ์พิจารณาให้ดีไปเจอต่อต่อไม้คุ้มคุมก็คิดว่าผีหลอกแล้วเดี๋ยวเสียงหนูดังๆก็เข้าใจว่าผีหลอกแล้วก็กลัวได้ขนลุกขนพองได้ทั้นั้นเลยแต่เมื่อสืบสาไปถึงต้นต่อพยายามไปเชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้น คนได้เจอสาเหตุติดแท้จริงทั้งที่ภายในใจแล้วก็ทั้งที่เป็นภายนอกพระบางอย่างเป็นเกิดขึ้นจากการปรุงของใจและบางอย่างก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาด้วยซึ่งคนนี้จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในระดับพื้นพื้นของชีวิตคนที่เกียดคร้านในการงานต่า ง, างๆนั่งแชะในที่นั่งยืนแต่ในที่ยืนนอนแชะในที่นอนที่จริงเป็นเรื่องของคนขาด กลาต่อการเวลาขลาดต่อร้อนต่อหิวต่อกระหายต่อเช้าสายบายเย็นแดดลงฝนเป็นต้นของเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวไปแต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ไม่กลัวสิ่งเหล่านี้คนก็ขยันได้ทิ่ติการของพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้หลายวิธีทางที่ทรงสั่งสอนไว้และที่ทรงปฏิบัติ ด, ด้วยพระองค์เอง ตือหมายความว่าเป็นการสั่งสอนจากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ยืนยามใดที่ความขาดความกลัวเกิดขึ้นจะไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหนจะสืบสาวถึงต้นตอของความขลาดให้เจอว่ามาจากภายในหรือมาจากภายนอกแต่นั้นจึงสึงรับสารล่าวว่าเมื่อความขาดความกลัวความสะดุ้งอาการขนพองเสียงกลราบบังเกิดขึ้นแก่พระองค์ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรุ องค์ทงใช้วิธีว่ายืนถ้าความกลาดความกลัวเกิดขึ้นในขณะที่ยืนอยู่ก็จะยืนจนหายกลัวถ้าเกิดขึ้นในขณะนั่งก็จะนั่งจนหายกลัวถ้าเกิดเกิดขึ้นในขณะนอนก็จะนอนอยู่งั้นจนหายกลัวนี่หมายความว่าในกรณีที่เกิดขึ้นภายในใจคือเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของตนเองแต่ถ้าเกิดขึ้นจากภายนอกก็พยายามสืบสาวถึงต้นตอของความกลาด แต่เมื่อสืบสาวไปถึงต้นตอนแล้วก็จะพบว่าเอาก็จริงแล้วตัวการใหญ่อย่างอยู่ที่ใจนั่นเด็กใจซึ่งมีธาตุแห่งความขาดเป็นธาตุของความขาดเหตุผลขาดการพินิจพิจารณาขาดการหาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นหรือให้ความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นมากเกินไปแต่ถ้ามองให้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง แม้แต่ความกลาดผีหรือกลัวผีถ้าว่ากันตามโดยหลักของความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่นั้นไม่มีใครเคยถูกผีหลอกมาก่อนแต่จะถามว่ากลัวผีไหมตอนแสงสว่างยังอยู่นั้นก็อาจจะพูดปากแข็งไปได้ว่าไม่กลัวแต่ถ้าให้ไปอยู่คนเดียวโดดๆดดแล้วห่างไกลจากคนความกลัวก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งอาจจะหลอกตัวเองอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้กลัวผีหรอกกลัวความมืด แต่เมื่อสืบสาลงไปก็จะพบว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นอาการกลัวผีที่มีอยู่ภายในใจแต่ถ้าบุคคลพยายามเข้าใจว่าผีนั้นคืออะไร mm. ก็จะมีความรู้สึกเป็นปกติธรรมดาแกจะมีหรือแกไม่มีแกจะปรากฏหรือไม่ปรากฏแกก็คือแกเราก็คือเราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวสมมติว่าแกปรากฏแกมีแกปรากฏ แกก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่ว ม, มเจ็บร่วมตายกับเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกับการพบไ ก, พบก่พบนกพบปลาพบงูพ บ, พ บ, พบอะไรก็ตามหรือพวกสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเพื่อนกันเราไปมาหาสู่กันได้แล้วเมื่อเขามีปัญหาเขาอาจจะขอร้องช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันได้จิตใจเราจะสบายรู้สึกว่าก็ทําทให้มีพวกขึ้นมา ว่นนี้ก็เหมือนกับในกรณีอินติดฉนบุคคลอาจจะกลัวใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเรากลัวแล้วไปปรุงให้เป็นเรื่องน่ากลัวมันก็น่ากลัวแต่ถ้าเข้าใกล้รู้เรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นโดยท่องแท้ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวไปปัญหาในเรื่องนี้ตัวการสาคัญจริงๆจรงอยู่ที่การใช้ปัญญา ว, วิเคราะห์สืบเสาะไปให้ถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วจะมองหเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรน่ากลัว เพราะว่าทุกอย่างเป็นผลจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นเพียงปรากฏธรรมชาติเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุ ด, ด้วยกันเราเองก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุเขาก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุอาการหวาดกลัวต่างๆก็จะเบาบางลงไปจากใจและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อความหวาดกลัวได้เบาบางลงไปจากใจความไม่ประมาทก็จะบังเกิดขึ้นภายในใจ จะทำให้บุคคลมีความกระตือรือรน้นที่จะฉกสวยการเวลาโอกาสเที่ยวัยวะมือเท้าของตนยังพอจะควบคุมบังคับบัญชากันได้ในบางโอกาสถึงแม้จะบังคับบัญชาไม่ได้ทุกโอกาสก็ตามแต่เราก็บังคับบัญชาเข้าได้ในบางโอกาสใช้อวัยวะต่างๆที่ยังบังคับใช้ได้อยู่ให้บังเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตน ในการเสริมสร้างคุณธรรมความดีในการเสริมสร้างความสุขความสงบที่สามารถสัมผัสได้ในขณะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมารเสนาตนนี้ก็จะมีกำลังในการประทุษร้ายได้น้อยทำไมสิ่งเหล่านี้ทำไมความขาดพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่ามารเสนาเพราะเป็นสิ่งที่ทำลาย เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขัดขวางการกระทําความดีของบุคคลทั้งหลายซึ่งมีอยู่ไม่น้อยว่าความขาดต่อนั้นบางครั้งบางคราวก็ทําให้หยุดความเพียรพยายามเช่นว่าในการประพฤติปฏิบัติบุคคลอาจจะเกิดความขาดขึ้นมามองการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องใหญ่แล้วในที่สุดก็ไม่กล้าประพฤติไม่กล้ากระทํา ดันั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าดูก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ ท, ทั้งหลายเธอตั้งแต่จะได้กลัวบุญเลยเพราะบุญบุญนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเรื่องของความสุขเท่านั้นดังนั้นถ้าเราไม่ขาดบุญแต่ไม่กลัวบุญแล้วมองดูว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดบุญก็ประกอบกระทําเหตุเหล่านั้นแล้วในที่สุดบุญก็จะกลายเป็นเรื่องหน้าไม่น่ากลัวนอกจากจะไม่น่ากลัวแล้ว เป็นที่พึ่งพานักเป็นที่ให้ความสุขความสงบ ค, ความเยือกเย็นความปลอดเปลียนความปลอดภัยแก่บุคคลเ่านั้นบุญดึงกลับเป็นที่พึ่งอย่า้ทรงแสดงไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสา้งหลายผู้บำเพ็ญบุญและไม่ใช่เป็นการให้พึ่งพานักเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นที่จริงแล้วบุญยังเป็นที่พึ่งพานักแก่บุคคลทั้งหลายทั้งในโลกนี้นในโลกอื่นและในโลกต่อๆไป ตามกฎของกรรมที่ทส่งแสดงเอาไว้ว่ากรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันซึ่งหมายความว่าความดีเหล่านั้นก็เป็นที่พึ่งพามนักของเราในปัจจุบันกรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปก็หมายความว่าความดีเหล่านั้นเป็นที่พึ่งพามนักแก่เราในชาติต่อไปหรือชาติหน้าและกรรบางอย่างให้ผลในลักษณะที่สืบพบสืบชาติตไปก็หมายความว่าบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งพามนักแก่เราในพบชาติต่อในใน ต, ต่อไปทําให้ จิตใจของบุคคลมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นที่จะประพฤติที่จะกระทําความดีทั้งหลายแต่ว่าการที่จะใจใจจะเดินไปได้ในขั้นต่างๆ่างต่างกันั้นเครื่องปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบพิ็นนิพจนามีความจําเป็นมีเรื่องเป็นนันมากคนอาศัยเพียงข่าวลือคําบอกเล่าของบุคคลอื่น ซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นอาการของคนตาบอดจูงตาบอดและบางคราวก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระเช่นว่าเอาพระพุทธปฏิมาไปไว้ที่บ้านคนบางคนบอกว่าไม่ดีพระเป็นของสูงไปเช่นบอกว่าพระแก้มรกดเอามาไว้ที่บ้านไม่ดีเพราะว่าเป็นของสูงไปไอ้ของดีที่จริงมันก็อยู่ที่บ้านมันก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีจนบางครั้งบางคราว เมื่อมีอะไรผิดแปลกขึ้นมาอาจจะไปเพ่งมองเอาที่สิ่งนั้นซึ่งตนเข้าใจว่าไม่ดีมีการแห่พระไปทิ้งเคราะ์ทิ้งครองกันเป็นต้นนี่เป็นการแสดงในเรื่องาความกระติร้ายเหตุผลไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจนารณาเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระพุทธปฏิมาก็คือพระพุทธปฏิมาเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น พระเจ้าเป็นอุดมมงคลเป็นทัศนานุตรยะไม่เห็นเป็นสันานุตรยะเมื่ อ, อ, อฟังคำสั่งสอนของพระองค์เป็นปริจารยานุสติยะคือเมื่ออุปถากบําำุงปฏิบัติด้วยดีต่อพระองค์ก็เป็นการปฏิบัติบารุงที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าบุคคลไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็จะก่อให้เกิดความขาดความกลัว ตกอยูภย่ภายใต้อำนาจของเศษนามันที่จะกอยหักผานหักรานทาลายล้างบุคคลให้ประสบความเดือดร้อนไปได้มันตัวนี้จึงต้องตามแก่ทันต้องรู้จักทันทุกครั้งที่เกิดความขาดจะต้องสาวไปถึงต้นเหตุทุกทีไปและอย่าให้ความสำคัญแก่เหตุของความขาดเหล่านั้นไว้จะใหญ่โตมากมายขนาดใดก็ตามเมื่อบุคคลได้ พินิษพิจารณาให้เห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยังบ่กแม้บางอย่างมันจะใหญ่โตแต่ก็มีสิ่งที่ใหญ่โตกว่า น, นั้นเพาะนสิ่งเหล่านี้มาเทียกบกับอีกสิ่งหนึ่งถ้าจะให้กลัวก็อีกสิ่งหนึ่งมันน่ากลัวกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรนักหนาและในที่สุดความแข้งแข็งภายในใจก็จะเกิดขึ้นการเอาชนะมารการเอาชนะเสนาห ม, มานก็จะมีความใจชนะเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ผลที่เกิดขึ้นจากการชนะมารประเภทนี้คือความสงบของใจใจไม่ดิ้นใจไม่สายใจไม่กวนกระวายไม่งุนง่านจนถึงกับบางครั้งเขาก็มีความเครียดเกิดขึ้นแต่จะกลายเป็นใจที่เย็นใจที่สงบใจที่สว่างพร้อมที่จะดูมาลเสนาที่บังเกิดขึ้นแล้วขจัดออกไปจากใจของตนได้โดยลําดับดังนั้น เรื่องของมานจึงเป็นเรื่องที่ควรรู้ในความถึงความจริงและความโทษภัยที่จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนพยายามบำบัดกระจัดออกไปผลที่ผลดังกล่าวแล้วก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป